ฉันเป็นพยาบาลโรงพยาบาลที่ฉันทำงานค่อนข้างห่างไกลความเจริญภายในโรงพยาบาลมีหมอเพียงแค่สองคนและพยาบาลรวมทั้งตัวฉันอีก4คนผู้ค น, คนส่วนมากมาจากขุ้นและรู้จักกันดีมีเรื่องอะไรก็จะรับรู้กันอย่างรวดเร็วการเป็นพยาบาลที่ห่างไกลความเจริญนั้นต้องมีความอดทนและทิ้งความสะดวกสบายได้แต่ก็จะได้รับการนับถือจากผู้คนในระแวกนั้นแม้เงินเดือนไม่มากแต่การดำเนินชีวิตก็ราบรื่น ใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงแต่บางสิ่งบางอย่างที่เวลวร้ายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอหมอคนหนึ่งที่ฉันสนิทพอสมควรชื่ออิง อ, อนเธอเป็นคนซื่อตรงอัธยาศัยดีเข้ากับผู้คนได้ง่ายรักในงานบริการผู้ป่วยต่างพากันชื่นชมเธอไม่ว่าเธอจะไปไหนก็ต่างมีคนยกมือไหว้และบางครั้ง ก็มักจะช่วยเหลือคนยากจนโดยไม่คิดค่ารักษาวันหนึ่งหมออิงอ่อนได้หายตัวไปทางโรงพยาบาลรวมถึงชาวบ้านที่รู้ข่าวว่าหมออิงออนหายตัวไปก็รู้สึกไม่สบายใจทุกคนต่างแสดงความห่วงใยแจ้งตำรวจให้ตามหาทุกที่ที่เธอจะอยู่และทุกที่ที่เธอจะไปต่างตูกค้นหาจนหมดหมออิงอ่อนหายตัวไปหลายวันค้นหากันทัว่วก็ไรทวีแวล คนเราอยู่ดีๆจะหายตัวไปไหนหมออิงออนไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไหนมีแต่ญาติที่เลี้ยงดูเธอมาแต่ก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว 2-3 ปีเธอหายตัวไปราวประมาณเดือนเศษก็ยังหาตัวไม่เจอและเรื่องของเธอก็ถูกลืมเลือนจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันหยุดของฉันหลังจากที่ทําทุละตามที่วางแผนไปเสร็จแล้วและกาลังเดินทางกลับที่พักราวประมาณสองทุ่มเศษ ฉันเดินตามทางที่มีแสงดวงจันทร์ส่องแสงนำทางบ้านเรือนก็อยู่ห่างกันไม่เท่าไรเวลานี้ก็ยังพอมีชาวบ้านสัญจรอยู่บ้างก่อนถึงที่พักที่ฉันอาศัยนั้นเป็นที่ดินร้างว่างเปล่ามีต้นไม้หนาทึบฉันก็ได้เห็นคนคนหนึ่งรูปร่างคลับคล้ายคลับขาใช่แล้วหมออิงอ่อนฉันพูดขึ้นด้วยความรู้สึกดีใจและตกใจพร้อมกันเธอเดินมาหาฉันที่ยืนนิ่งอยู่หมอหายไปไหนมา ชาวบ้านต่างออกกันตามหาไม่เจอทุกๆคนคิดว่าหมอตายไปแล้วฉันไม่ได้หายไปไหนมาหรอกหมออิงออนพูดอย่างช้าๆน้ำเสียงแหบฉันยืนมองดูเธออย่างพิจารณาร่างกายเธอดูซีดและไม่สดใสเหมือนที่เคยเป็นและเธอก็เ อ, อ่ยขึ้นว่าฉันถูกคำสุดท้ายที่ฉันฟังไม่ถนัดเมื่อบังเอิญได้ยินเสียงหมาเห่าสาถึงสี่ตัวพร้อมกันฉันสะดุ้งขนลุกขึ้นมาทันทีและกำลังจะถามหมออิงออนว่าพูดอะไร เนื่องจากฉันได้ยินไม่ชัดก็เหลือบไปเห็นชาวบ้านละแวกนั้นกําลังตะโกนเรียกมีชาวบ้านสองคนกึ่งวิ่งกึ่งเดินตะโกนอยู่ไม่หา่างจากจุดที่ฉันยืนและถามว่าฉันพูดอยู่กับใครฉันตั้งท่าจะบอกแต่าชาวบ้านอีกคนก็พูดขึ้นมาว่ารีบไปบอกเรื่องหมออิงอ่อนกับผู้ใหญ่บ้านเถอะฉันงุนงงกับสิ่งที่ชาวบ้านพูดและหันกลับมาอีกทีหมออิงออนก็ได้หายไปแล้ว ฉันได้แต่อ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกขนลุกสู้สักครู่ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านและตำรวจก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุที่ชาวบ้านได้พบศพของหมออิงออนเนื่องจากหมาของชาวบ้านสองผัวเมียที่อยู่ใกล้กับที่ดินล้างได้หลุดเข้าไปในที่ดินนั้นและขุดเจอศพของหมออิงออนเฮาเสียงดังจนทําให้สองผัวเมียต้องตามเข้าไปดูนั่นเองตำรวจได้สืบหาความจริงจนได้รู้ว่าหมออิงออนได้พบเห็นพยาบาลคนหนึ่ง ได้แอบขโมยยาในโรงพยาบาลออกไปขายภายนอกหลายครั้งแล้วแต่หมออิงอ้อนเธอก็เพียงเรียกไปตักเตือนและไม่ได้บอกให้ใครรู้แต่พยาบาลคนนั้นก็ยังไม่หยุดการกระทำเช่นนั้นกระทั่งครั้งสุดท้ายที่หมออิงอ้อนได้พบเจอจึงบอกพยาบาลคนอื่นนั้นว่าจะนำเรื่องราวทั้งหมดไปแจ้งความกับตำรวจพยาบาลคนนั้นจึงวางแผนกับสามีและเพื่อนสามีของเธอเพื่อฆ่าปิดปากแล้วนำจบของหมออิงออน ไปฝังไว้ที่ดินร้างแห่งนั้นนั่นเอง